บทภาชณีติกาปาจิตตีหนกิบเกกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องบวชให้ต้องอบัดปาจิตตีกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัดปาจิตตีกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําให้ถูกต้องบวชให้ต้องอบัดปาจิตตีติกะทุกบท กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัติทุกกฎ